ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่26สําหำหรับธรรมะจากพระผู้รู้ประจำฉบับนี้ทางทีมงานได้คัดบทความเก่าๆที่หลวงพ่อปราโมทปรามมทโชว์ได้ตอบไว้ที่เว็บไซต์ลานธรรมในสมัยที่ท่านยังเป็นคารวาสใช้ชื่อในเว็บบอร์ดว่าสันตินันนะครับมีทั้งหมด3คํคำถามสรุปให้ฟังดังนี้ 1. เป็นน้องใหม่ด้านธรรมะขอความรู้ในด้านการดูจิตว่าทาอย่างไร 2. อ, อยากทราบว่าคำถามและปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไรบ้าง 3. ความผุดรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญญาแบบไหนเชิญรับฟังกันได้เลยครับธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่26โดยสันตินัน หรือพระปราโมทปามโมชในปัจจุบันถามเป็นน้องใหม่ด้านธรร ม, มะขอความรู้ในด้านการดูจิตว่าทำอย่างไรคำว่าดูจิตนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่การดูจิตตรงๆหรอกครับ เพราะจิตนั้นเป็นผู้รู้อารมณ์เราจะเอาจิตไปสแสวงหาจิตไม่ได้หรอกคำว่าดูจิตที่พวกเราเกล่าวกันนั้นในความเป็นจริงคือการเจริญสติปัฏฐานในหมวดที่เรียกว่า mm hmm. เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีการก็คือเมื่อเราเกิดความทุกข์หรือความสุขหรือความรู้สึกเฉย ก็ให้รู้ว่ากำลังเกิดอารมณ์อันใดเมื่อเกิดกิเลสเช่นราคะโทสะความฟุ้งซ่านความหดผู่ความลังเลสงสัยความหงุดหงิดขัดใจความเบื่อหน่ายเกียดคร้านความอิดชาริษยาความเมตตาการุณาความสงบของจิตใจและอารมณ์อื่นๆก็ให้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏนั้นเมื่อรู้แล้วอย่าไปเพ่งสิ่งที่เราไปรู้เข้า ให้รู้ไปอย่างสบายๆไม่ต้องอยากไปละมันหรืออยากให้มันอยู่นานๆรู้มันไปธรรมดาเรื่อยๆสบายๆก็จะเห็นว่ามันไม่คงที่มันทนอยู่ได้ไม่นานมันไม่ใช่เราเพียงแต่เราไปรู้มันเข้าเท่านั้นฝึกมากเข้าก็จะรู้ชัดมากขึ้นว่าบางคราวจิตก็รู้อารมณ์เฉยๆบางคราวจิตก็ส่งกระแสออกไปยึดอารมณ์ ตามแรงผลักดันในจิตใจของเราเองเมื่อยึดแล้วความอึดอัดเป็นทุกข์ก็ตามมาถ้ารู้เฉยๆโดยไม่อยากก็ไม่ทุกข์หัดอย่างนี้ให้มากเข้านะครับแล้วเราจะค่อยๆรู้ว่าทุกข์เกิดได้อย่างไรพ้นไปได้อย่างไรและรู้ว่าจิตที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างไร ตอบไว้เมื่อ19กันยายนพุทธศักราช2542ถามอยากทราบว่าคำถามและปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไรบ้าง การที่ผมอยู่ในแวดวงของผู้ปฏิบัติมานานได้พบเห็นรู้จักและคุ้นเคยกับผู้ปฏิบัติเป็นจํานวนมากทำให้ผมได้พบว่าผู้ปฏิบัติมาเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆมากมายและคําถามของผู้ปฏิบัติส่วนมากจะวนเวียนอยู่ในเรื่องดังนี้กลุ่มปัญหาที่ชวในให้ฟุ้งซ่านเช่นนิพพานสวรรค์นรกชาติก่อนชาติหน้ากรรมเก่ากรรมใหม่ เทพพรหมเปรตอสุรกายและอื่นๆสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีหรือความสงสัยหยุมหยิมเช่นเชื้อโรคมีจิตหรือไม่และนั่งสมาธิแล้วจะรู้เห็นสิ่งปแปลกๆได้หรือไม่ถ้ารู้เห็นแล้วจะทําอย่างไรดีเป็นต้นกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการปฏิบัติเช่นควรเตรียมตัวอย่างไรต้องถือศีลกินเพน หรือควรจะกินอาหารมังสวิรัตหรือไม่ควรนอนมากน้อยเพียงใดเวลาใดจะต้องนุ่ขมขาวห่มข่าวหรือไม่จะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือไม่ถ้าสวดควรสวดบทใดบ้างควรตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนหรือไม่เด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ครองเรือนกับนักบวชใครปฏิบัติง่ายกว่ากันการปฏิบัติจาเป็นต้องไปวัดหรือไม่ จะต้องเรียนปริยัตเพียงใดต้องให้จบอภิธรรมปริเฉษที่9มามหาปฐฐานก่อนหรือไม่กลุ่มปัญหากับสภาพแวดล้อมเช่นมีครอบครัวที่สับสนวุ่นวายลูกยุ่งสามีกวนภรรยาไม่สนใจธรรมะหรือมีภาระเรื่องการเรียนหรือการงานทำให้ปฏิบัติไม่ได้กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นของการปฏิบัต เช่นจะต้องนั่งสมาธิก่อนจเจริญวิปัสสนาหรือไม่ถ้าจะทำสมาธิควรทำอนาปนาสติดีหรือจะบริกรรมพุทโธยุบหน่อพองหน่อสัมมาอรหังนมะพัทะหรือควรเพ่งกสินอะไรบ้างทั้งนี้เพราะไม่ทราบว่าวิธีใดจะถูกจริตบ้างก็ลองวิธีนั้นวิธีนี้เรื่อยๆไปย้ายวัดเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆหรือสงสัยว่า จําเป็นต้องเดินจงกรมหรือไม่หรือจะนั่งอย่างเดียวดีถ้าจะนั่งควรนั่งเวลาไหนท่าไหนวันลกิ่ชั่วโมงนั่งเมื่อยแล้วควรทนต่อไปหรือควรเปลี่ยนอิริยาบถเป็นต้นกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับอาการของจิตในขั้นการทําสมถะขั้นเริ่มต้นก็จะมีปัญหาเช่นทําอย่างไรจิตก็ไม่สงบเลยมีแต่ความปุ้งซ่านสับสนหรือนั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มหลับในเงียบไปทุกครั้ง บางคนปฏิบัติไปสาวันก็เริ่มบ่นว่าเบื่อเพราะไม่เห็นความก้าวหน้าอะไรเลยพอทำความสงบได้แล้วก็ถึงกลุ่มปัญหานิมิตและโลกยิยานมีทั้งที่น่ากลัวหรือที่น่าภูมิใจเช่นนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีมดหรือมแมลงมาไต่ตอมร่างกายหรือสามารถรู้เห็นออกไปภายนอกได้มองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาและพูดถีบางก็เห็นพระเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์ บางเห็นเมืองแก้วพระนิพพานถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นตนเองเป็นโครงกระดูกเดินไปมาได้โครงเดียวบ้างหลายโครงบ้างเห็นกลางคืนสว่างเหมือนกลางวันบ้างบางก็มีโลกิ ย, ยาญเช่นรู้ว่าระจิตผู้อื่นได้ระลึกชาติได้และเที่ยวรู้แล้วยึดว่าคนนั้นคนนี้เคยพบกันมาในอดีตชาติรักษาโรคได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ แสดงริดได้บางคนนั่งไปนิดหน่อยก็เกิดความกลัวเช่นกลัวจะเห็นพูดผีปีศาจกลัวจิตจะออกจากร่างแล้วไม่กลับเข้าร่างอีกบางคนได้ยินเสียงคนเดินไปมาเห็นคนมานั่งใกล้ๆรวมแล้วสารพัดรูปแบบที่จะเป็นไปกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนาเช่นเมื่อทำสมถธิไปแล้วจะเริ่มทำวิปัสสนาตรงไหน ในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ต้องการทำสมถะจะขอทำวิปัสนาเลยถัดจากนั้นก็เกิดปัญหาว่าควรจะทำวิปัสนาอย่างไรจะเข้าสำนักไหนจึงจะดีเพราะแทบทุกสำนักล้วนแต่ประกาศว่าสำนักของตนเป็นทางตรงที่สุดสำนักอื่นผิดและต่างก็บอกว่าตนเจริญสติปัปฐานกำหนดรู้รูปนามขันห้าปัจจุบันอารมณ์กันทั้งนั้น บางก็มีปัญหาว่าควรจเจริญสติปัฏฐานหมวดใดดีจะต้องเริ่มตามลำดับคือกายเวทนาจิตธรรมหรือไม่บางคนกลัวจะติดวิปัสสนูปกิเลสบางก็สนใจไถ่าถามกับเรื่องญาณว่าตนทำได้ถึงญาณชั้นใดบางคนตั้งเป้าหมายจะทําให้ถึงญาณ น, นั้นญาณ น, นี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้สำหรับผู้ที่ลงมือทํากันจริ ง, รงก็ยังมีเรื่องให้ต้องถามครูบาอาจารย์อยู่เสมอเช่น ควรวางจิตอย่างไรควรกำหนดอย่างไรอาการของจิตอย่างนี้จะแก้อย่างไรอาการของจิตอย่างนั้นจะแก้อย่างไรเช่นหัดรู้ตัวแล้วเกิดอึดอัดขึ้นกลางอกเกิดปวดระหว่างหัวคิ้วหรือปวดตาเห็นกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วจะทำอย่างไรดีควรจะปล่อยมันเอาไวร้รู้หรือควรพยายามละมันจิตใจมันตื้อตื้ไม่ผ่องใสจะแก้ไขอย่างไร ควรนำธรรมะบทนั้นบทนี้มา น, นึกคิดพิจารณาด้วยหรือไม่เช่นควรจเจริญอสุภะกรรมฐานเพื่อข่มราคะหรือไม่หรือจะให้รู้ราคะไปเรื่อยเไม่ต้องไปแก้ไขมันเป็นต้นใครที่อยากจะทำ F A Q เกี่ยวกับปัญหาธรรมะลองใช้ตัวอย่างคำถามที่ผมยกมาเนี้ยเป็นตัวตั้งก็ได้คำถามส่วนมากมักวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นั่นเองจะนอกเหนือไปกว่านี้ก็ไม่มากนักหรอกครับ คำถามเหล่านี้ผมเคยได้ยินผู้สงสัยเรียนถามครูบาอาจารย์บ้างผมสงสัยเองบ้างซึ่งส่วนมากจะพยายามพิจารณาแก้ไขเอาเองยกเว้นที่ยากลำบากหรือละเอียดอ่อนมากๆหรือต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษจึงจะเรียนถามจากครูบาอาจารย์ซึ่งท่านจะเมตตาตอบคำถามให้เสมอเมื่อหายสงสัยในเรื่องนั้นแล้วจึงเกิดนึกขึ้นได้ว่าที่จริงคำตอบในการแก้ปัญหาที่ครูบาอาจารย์ให้มาแต่ละครั้งนั้น แทบจะเป็นคำตอบเดียวกันทั้งที่คำถามนั้นหลากหลายมากคำตอบที่ได้ยินได้ฟังเป็นประจำก็คืออย่าเที่ยวรู้ออกไปนอกให้รู้ปัจจุบันธรรมในกายและจิตของตนด้วยจิตที่เป็นกลางคำตอบเพียงเท่านี้สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดแล้วกล่าวคือกลุ่มปัญหาที่ชวนให้ฟุ้งซ่านล้วนเป็นผลพวงของความคิดเท่านั้น ยิ่งคิดมากก็ยิ่งสงสัยมากและยิ่งสงสัยมากก็ยิ่งคิดมากและยิ่งคิดมากก็ยิ่งห่างไกลจากการเจริญสติสัมปชัญญะออกไปทุกทีถ้าหันมารู้ปัจจุบันธรรมอยู่ภายในกายและจิตของตนจะต้องสงสัยทำไมว่านรกสวรรค์ชาติก่อนชาติหน้าผีสางเทวดามีหรือไม่มีเพราะพอจิตสงสัยก็รู้เท่าทันความสงสัยใคร่รู้นั้น ความสงสัยก็ดับไปเองเมื่อความสงสัยดับไปแล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องหาคำตอบต่อไปอีกเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการปฏิบัติและปัญหาสภาพแวดล้อมก็หมดความหมายเพราะการปฏิบัติไม่ได้เบียดบังเวลาธรรมาหากินไม่เกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มเวลาหรือพิธีกรรมต่าง เมื่อรู้ปัจจุบั น, นธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นของการปฏิบัติก็หมดความหมายคำบริกรรมกิริยาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สาระสาคัญแต่เป็นเพียงอุบายเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้ามารู้ปัจจุบั น, นธรรมในกายในจิตของตนเท่านั้นเมื่อรู้ปัจจุบั น, นธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้ว กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับอาการของจิตในขั้นการทำสมถะก็หมดความหมายเพราะอาการทั้งหมดเป็นเพียงสภาพธรรมที่ถูกรู้เท่านั้นพอรู้แล้วหากย้อนมาอ่านจิตใจตนเองให้แจ่มแจ้งอาการของจิตก็หมดความหมายไปในทันทีเช่นเมื่อปฏิบัติอยู่แล้วเห็นภาพผีปรากฏขึ้นมาผู้ปฏิบัติไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์วิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมเพราะจริงก็เหมือนเท็จ เท็ก็เหมือนจริงคือมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนๆกันที่สำคัญคือให้ย้อนเข้ามาอ่านจิตตนเองให้ดีมันกลัวมันอยากหนีมันสงสัยหรือมันอยากรู้ให้รู้เท่าทานจิตตนเองไว้สิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่มีความหมายมากไปกว่าการเห็นรูปธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งหรือเกิดรู้เห็นพระจุลามณีหรือพระพุทธเจ้าก็ให้ย้อนมาอ่านจิตของตนเองเช่นกัน เพราะรูปนิมิตภายนอกทั้งปวงนั้นไม่ใช่สาระแก่นสารเพื่อการยึดถือแต่อย่างใดเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตอนแล้วกลุ่มปัญหาเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนาก็หมดความหมายจะต้องคิดทำไมว่าจะต้องรู้อะไรในเมื่อทุกสิ่งที่ถูกรู้ก็มีค่าเท่ากันทั้งนั้นหากจิตเขาจะรู้สิ่งใดชัดก็เอาสิ่งที่กาลังรู้ชัดนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ หรือเรื่องยานนั้นยานนี้ก็เป็นของสมมุติเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะอยากได้ยานมรรคผลนิพพานก็ไม่เห็นจะต้องอยากได้เพราะหากจิตจะได้เขาก็ได้ของเขาเองแต่ยิ่งเราอยากก็ยิ่งไม่ได้ส่วนวิปัสสนปกิเลส ก, ก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่หลงลืมตัวขาดสติสัมปชัญญะนักปฏิบัติที่คิดมากมีปัญหามากก็เพราะไม่พยายามรู้ตัว ไม่มีสติพิจารณาอยู่ในกายในจิตของตนเองเอาแต่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้เอาแต่พยายามแก้อาการของจิตปฏิบัติไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้หากผู้ปฏิบัติพยายามรู้ตัวอย่างต่อเนื่องเข้าไว้และมีสติสอดส่องอยู่ในกายในจิตหรือในวงขันห้าของตนอย่างเป็นปัจจุบันก็แทบไม่มีปัญหาจะต้องถามใครอีกต่อไปแล้ว ตอบไว้เมื่อ23กันยายนพุทธศักราช2542ถามในบางครั้งไม่มั่นใจว่าความผุดรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาวนามายปัญญาหรือจินตามายปัญญารวมทั้งสุตตามายปัญญาในใจตัวเองก็คิดว่าเป็นภาวนามายปัญญาแต่ไม่อยากตู่เอา เคยคิดว่าความไม่แน่ใจนี้ก็เป็นสิ่งชี้ชัดว่ายังเป็นตัวปัญญาในระดับจินตามายะปัญญาอยู่ไม่ทราบว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครับสําหรับตัวองค์ความรู้นั้นไม่ใช่เป้าหมายที่เราปรารถนาหรอกครับที่เราต้องการไปให้ถึงก็คือทำอย่างไรจิตจะพ้นจากทุกข์หากเกิดผุดรู้สิ่งใดแล้ว จิตคลายความยึดถือก็นับว่าใช้ได้หากผุดรู้แล้วยิ่งยึดถือและสำคัญมั่นหมายอันนั้นก็อย่าไปสนใจเลยครับก็เหมือนนิมิตอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตอบไว้เมื่อ27กันยายนพุทธศักราชส5 4 2บทความจาก นิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่2ี่เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโซพา สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและศรัทธาในการปฏิบัติแนวนี้นะครับอยากจะขอความการุณาให้อ่านหนังสือและหมั่นฟังซีดีบ่อยๆฟังซ้ำๆและจะได้อะไรอย่างคาดไม่ถึงในการฟังซ้ำหรืออ่านซ้ำแต่ละรอบปัญหาที่สงสัยบางอย่างก็จะเข้าใจได้เองนะครับระยะหลังมานี้มีญาติโยมไปขอความเมตตาจากท่านมากเกินไปซึ่งท่านก็เมตตามาโดยตลอดมีผลต่อสุขภาพของหลวงพ่ออย่างมากอยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่า ถ้าไม่จำเป็นไม่ติดขัดในการปฏิบัติจริงๆอย่าไปรบกวนท่านเลยครับลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือสอบถามคณะสิทธิทใกล้ชิดก่อนจะดีกว่าเช่นอาจารย์สุรวัตรและกลุ่มวิมุตติที่บ้านอารีหรือที่กระดานสนทนาในเว็บวิมุตติหรือที่ลานธรรมนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเลยนะฮะถ้าไม่เกี่ยวกับจริตหรือการปฏิบัติเฉพาะตัว เป็นจำพวกปัญหาต่างๆก็หาฟังหาอ่านได้จากบทความและหนังสือที่หลวงพ่อเขียนนะครับหรือฟังจากซีดีและสอบถามรุ่นพี่ในทางธรรมก็เพียงพอจะไขปัญหาในการปฏิบัติได้พอสมควรนะครับยังไงก็ฝากพิจารณากันด้วยนะครับการจะไปรบกวนครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็มีภารกิจมากอยู่แล้วก็กวนไตรตรองให้ดีถ้าจาเป็นหรือติดขัดจริงๆก็ค่อยไปนะครับขอให้นึกถึงคาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไว้ให้มากๆนะครับ จเจรริญในธคับาสามารถติดตามอ่านหนังสือของหลวงพ่อปราโมทและดามหลวดเสียงเทศนาธรรมของท่านได้ฟรีที่ w t w i m u t i n e t หรือไปรับหนังสือและซีดีได้ที่บ้านอารีโทรศัพท์022797838หรือขอรับทางประศนีได้ที่เว็บไซต์ c d t h a m a c o m และ blueprint. ลานธรรมดอกายใจจะทนปเนแตกกาาวพังออยเ เจร้าซึมเมื่อเลียวแลกเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอดีตเยื่อใ่ที่ฟังลึกกินใจหมดสิ้นกันที่